สังคาทิเศษศิขาบทที่เจ็ดเพราะภิกษุณีผู้โกโรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัาบ ต, ต, ตออบทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลใจส จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษ